ทมุตตะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอาทิตตะเถระพระอิมุตตะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าอัฏฐทัศนีผู้สูงสู่แห่งนรชนเสด็จดับขันทปริญิพานแล้วข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้บำรุงภิกษุสงฆ์ครั้นนิมนต์พระสังฆรัตนะ ผู้ซื่อตรงผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วเขาพเจ้าจึงใช้ต้นอ้อยทามนดบนิมนต์สงผู้สูงสุดให้ฉันแล้วเขาพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามในกำเนิดนั้นๆเขาพเจ้าย่อมปกครองสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนี่ยกลับที่ร้อยสิบแปดนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลย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 และสุณทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระลสุนาทายกะเทระพระลสุนาทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชเป็นดาบดอาศัยอยู่ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานข้าพเจ้าอาศัยกระเทียมเลี้ยงชีวิตกระเทียมเป็นอาหารของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใส่กระเทียมเต็มหาบแล้วหาไปยังสังขารามข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ถวายกระเทียมแด่พระสงฆ์เพราะถวายกระเทียมแด่พระสงฆ์ผู้ยินดีในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีผู้เลิศ ก, กว่านรชน์ข้าพเจ้าจึงบันเทิงในสวรรค์ตลอดกลับหนึ่งในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายกระเทียมไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายกระเทียมกุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภินยาหก้าะพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระและสุนทายะเทระได้พาสุขคาาเหล่านี้ด้วยประการฉนิษ ละสุณทายกคเพทราประธานที่เจ็ดจบอายาคทายัคเพทราประทานประวัติในเดชจชาติของพระอายาคาทายะยกคเพทระพระอายาคาทายกคเพทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โกพระนามว่าสิกีผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลาย เสด็จดับขันธ์ปรินิพานแล้วเขาพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ไหว้พระสถูปที่ประเสริฐครั้งนั้นเขาพเจ้ามีจีกร่าเริงเบิกบานได้ให้ในายช่างประเมินราคาแล้วจึงจ่ายรัพบแจ้งก่อสร้างศาลาโรงชันเข้าพเจ้าอยู่ในเทวโลกถึงแปดกลับโดยไม่สับสนกันเลยในกลับที่เหลือเขาพเจ้าเวียนไหว้ตายเกิดสับสนกันไป ยาพิษย่อมไม่กลั่กลายในการเข้าพเจ้าและศาสตราก็ไม่ทำร้ายเข้าพเจ้าเข้าพเจ้าย่อมไม่ตายในน้ำนี้เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันเข้าพเจ้าปรารถนาฝนเมื่อใดมหามเอกย่อมโปรยปลายฝนตกลงมาเมื่อนั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็อยู่ในอำนาจของเข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการสามสิบชาติ ใครๆก็ดูเหมือนข้าพเจ้าไม่ได้นี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนี้กขับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ให้สร้างศาลาโรงฉันไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉันคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอายาคทายกะเทระได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประการศนี้อายาคทายกะเทราประทานที่แปดจบเกธรรมะจักิกะเทราประทานประวัติเนเดชาะของพระธรรมะจักิกะเทระพระธรรมะจักิกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตาตาของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้ตั้งธรรมจักรที่ทำอย่างสวยงามอันวินยูชนชมเชยไว้ข้างหน้าพุทธาภร์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะเขาพระเจ้ามียวดยานกำลังพลและพานะย่อมงดงามด้วยวั น, นะทั้งสี่พลจำนวนมากย่อมติดตามแวดล้อมเขาพเจ้าเป็นนิดเขาพเจ้ามีดนตรีหกหมื่นชิ้นบำรงบำเร อ, อยู่ทุกเมื่อ ย่อมงดงามด้วยบริวาร น, นี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนี่กลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาไปเจ้าได้ตั้งธรรมจักไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการตั้งธรรมจักเนี่กลับที่สิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาไเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิแปดชาติมีพระนามว่าสหัสราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีภาานุภาพมาก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 กัปปะรุกขคยะเทราประทานประวัติในเดชะชาติของพระกัปปะรุกขคยะเทระพระกัปปะรุกขคยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชะชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ประดิษฐานต้นกลรลปพฤกคล้องผ้างดงามวิจิตรหลายผืนไว้ตรงหน้าพระสถูวอันประเสริฐที่สุดของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธถะข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใด เคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆต้นกระประปรึกประดิษฐานส่งแสงงดงามที่ประตูของข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าเองชุมนุมชนและคนบางเหล่าที่มีอายุเท่ากันเพื่อนได้นำผ้าจากต้นกระประปรึกนั้นมานุ่งห่มในกลับที่เก้าสิบสนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าประดิษฐานต้นกระประปรึกไว้ จึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการปฏิสถานต้นกระประพรึกไว้และในกลับที่เจ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิแปดชาติพระนามว่าสุเจละสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิน ญ, ญาหเขาพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกัปปะรุกคิยะเถระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้กัปะปะรุกคิยะเถราประทานที่สิบจบคุณทัฐานวักที่สี่จบบริบูรณ์ร่วมอปทานที่มีนิวักนี้คือหนึ่งคุณทัฐานเถราประทาน สองสาขะเถราประธาน 3. มหากัจจายนะเถราประธาน 4. ปรลุทายีเถราประธาน 5. โมคราชเถราประธาน 6. อธิมุตตะเถราประธาน 7. ลัุษณทายกเถราประธาน 8. อายะคะทายกเถราประธาน 9. ธรรมจักกิลเถราประธานสิบ กลับปะรุคเยะเทราประทานและมีคาถาร้อยสิบสองคาถาอันไม่มีอาสวะพระโคดมผู้สองโลกให้ช่อช่วงจักตั้งเขาไว้ในเอตัทคะเขาจักตอบปัญหาที่ถูกถามอย่างย่อได้โดยพิสดารและเมื่อตอบปัญหานั้นจักทำอธยาศัยให้เต็มได้ข้าพเจ้าเป็นพราหม์ผู้อภิชาตบุตรในตระูลที่มั่งคั่งจบมน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 มหากัจจายณะเทราประทานที่สามจบ4กาลุทายีเทราประทานประวัติในติชาติของพระกาลุทายีเทระพระกาลุทายีเทระเมื่อจะประกาศประวัติในติชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่เสด็จดำเนินทางไกลเที่ยวจาริไปในครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้ถือดอกปทุมดอกอุบลและดอกมะลิซ้อนที่บานสะพรัง่งและถือเข้าสุขชั้นดีมาถวายพระศาสดาพระมหาวีระสวยเข้าสุขชั้นดีโภชนะอย่างดีอันหนึ่งกาลุทายีรับดอกไม้นั้นแล้วมอบถวายแก่พระชินเจ้าผู้ที่ได้ถวายดอกปทุมชั้นดีเยี่ยมที่น่าปรารถนาน่าใครนี้แก่เราชื่อว่าทำสิ่งที่ทำได้ยาก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 เขาจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ25ชาติจกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดิน500ชาติเนี่กลับที่1แสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดสรงสมภพในราชสกุลโอคกา ก, าการาชจากอุบัติขึ้นในโลกเขายินดียิ่งในกรรมของตนถูกกุศลมูลตัเกเตือนแล้วจะเกิดเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระญาติ ที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่พวกเจ้าสักยะและภายหลังเขาถูกโกศลมูลตักเตือนแล้วบวชกำหนดรู้อาจวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาจวะแล้วนิพพานพระโคดมผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกจากทรงตั้งเขาผู้บรรลุปฏิสัมพิทาทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีอาจวะไว้ในเอตทัคคะเขามีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบาเพ็ญเพียร เป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปธิมีนามว่าอุทายีตามโคดจากเป็นสาวก ข, ของพระาศาสดาราคะโทสะโมหะมานะและมะะัคคะอันเข้าพระเจ้ากําจัดได้แล้วเข้าพเจ้ากําหนดรู้อาจวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาจวะเข้าพระเจ้ามีความเพียรมีปัญญารักษาตนทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพอพระทัยแล้ว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 การุธายเถราประธานที่สี่จบหโมคราชเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระโมคราชเถระพระโมคราชเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีประภาคผู้เป็นพระสยามผู่พระนามว่าอัฏฐทัศนศีผู้ไม่สงพ่ายแพ้มีหมู่ภิกษุห้อมล้อม เสด็จดำเนินไปที่ถนนเขาพระเจ้ามีสิทธิ์ทั้งหลายแวดล้อมออกจากเรือนไปครั้นออกไปแล้วได้พบพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกที่ถนนนั้นเขาพระเจ้าประคองอัญเชลีเหนือเสียนกล้าวถวายอภิวาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วชมเชิพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าสัตว์ทั้งที่มีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตาม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 ย่อมเข้าไปปรากฏภายในพระยานของพระองค์พระองค์ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกที่อากูลด้วยความมืดนี้ได้สัตว์เหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมข้ามกระแสความสงสัยได้สัตว์โลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้แล้วถูกความมืดปกคลุมแล้วเมื่อพระยานของพระองค์โชดช่วงอยู่ความมืดก็ถูกขจัดแล้วพระองค์เป็นผู้มีพระจักษุ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 ผู้นั้นจะไม่ไปเกิดอย่างทุกขติเลยและผู้นั้นจะครองเทวสมบัติ64ชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศสราชครองแผ่นดิน108ชาติจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิช105ชาติจกครองประเทศราชในแผ่นดินนับชาติไม่ถ้วนเขาจะเป็นผู้คงแ่เรียนทรงมน์จบไตรเพศจาะบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม เขาจักพิจารณาเนื้อความที่ลึกซึ้งละเอียดได้ด้วยยานจักมีนามว่าโมคราชเป็นสาวกของพระาศาสดาเขาจาักสมบูรณ์ด้วยวิชาสามทาจิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีอาสวะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมทรงเปรียบด้วยนายเกวียนผู้เลิศจักทรงตั้งเขาไว้ในเอตักสกะขขาพเจ้าละโยคะที่เป็นของมนุษย์ได้แล้วตักกิเลสเครื่องผูกพันเคพบได้แล้ว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 โมคราชะเถราประธานที่ห้าจบ ทมุตตะเถระประธานประวัติในดิตชาติของพระอามุตตะเถระพระอามุตตะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าอัฏทัศสีผู้สูงสู่แห่งนรชนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้บำรุงภิกษุสงฆันิมนต์พระสังฆรัตนะ ผู้ซื่อตรงผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วเขาพเจ้าจึงใช้ต้นอ้อยทํามนตดบนิมนต์สงผู้สูงสุดให้ฉันแล้วเขาพเจ้าเกิดในกําเนิดใดๆครูจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามในกําเนิดนั้นๆเขาพเจ้าย่อมปกครองสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนี่อกลับที่ร้อยสิบปดนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย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 และสุณทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระและสุนทายกะเทระพระและสุณทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าบวชเป็นดาบดอาศัยอยู่ในที่เมื่ไกลภูเขาหิมพานข้าพเจ้าอาศัยกระเทียมเลี้ยงชีวิตกระเทียมเป็นอาหารของข้าพเจ้า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 ลสัสนะทายกะเถราประธานที่เจ็ดจบอายาคะทายกะเถราประธานประวัติในเดชจชาติของพระอายาคะทายกะเถระพระอายาคะทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเด็จชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าสิกีผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลาย เสด็จดับครันทะปรินิพานแล้วเขาพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ไหว้พระสถูปที่ประเสริฐครั้งนั้นเขาพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ให้ในายช่างประเมินราคาแล้วจึงจ่ายรับแจ้างก่อสร้างศาลาโรงชันเขาพเจ้าอยู่ในเทวโลกถึง8ดกลับโดยไม่สับสนกันเลยในกลับที่เหลือเขาพเจ้าเวียนไหว้าตายเกิดจับสนกันไป ยาพิษย่อมไม่กลั่นกลายในกลายข้าพเจ้าและศาสตราก็ไม่ทำร้ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมไม่ตายในน้ำนี้เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉั้นข้าพเจ้าปรารถนาฝนเมื่อใดมหาเมฆย่อมโปรยปลายฝนตกลงมาเมื่อนั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็อยู่ในอำนาจของข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งบุญกรรมข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการสามสิบชาติ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 ข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอายาคะทายกะเทระได้พาสิกธาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อายาคะทายกะเทราประทานที่แปดจ้ากธรรมจักิกะเทราประทานประวัติเนดิจฉาของพระธรรมจักิกะเทระพระธรรมะจักิกะเทระ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 ย่อมงดงามด้วยบริวาร น, นี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนื้กลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ตั้งธรรมจักไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการตั้งธรรมจักเนื้กลับที่สิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิแปดชาติมีพระนามว่าสหัสราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกขแปและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระธรรมจักกิละเถระได้พาสุกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ธรรมจกักกิละเถราประทานที่เก้าจบสิ กัปปะรุกคียะเถราประทานประวัติในเดตชาติของพระกัปปะรุคียะเทระพระกัปปะรุคียะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ประดิษฐานต้นกรลปพฤปรกคล้องผ้างดงามวิจิตรหลายผืนไว้ตรงหน้าพระสถูปอันประเสริฐที่สุดของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธถะข้าพเจ้าเกิดในกําเนิดใด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 จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการปฏิจจฐานต้นกะระเบึกไวพ้ไวและในกลับที่เจดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นกษัตริย์ผู้จักระพัดิปดชาติพระนามว่าสุเจละสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8แปและอภินยาหกพรพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว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 สสาคตะเทราประธาน 3. มหาปัจจายณะเทราประธาน 4. ีารุทายีเทราประธาน 5. โมคราชะเทราประธาน 6. อธิมุตตะเทราประธาน 7. จ็ดลัสนะทายกเทราประธาน 8. อายะคทายกะเทราประธาน 9. ธรรมจักกิลเทราประธานสิ กับปะรุคียเถราประทานและมีคาถาร้อยสิบสองคาถาอันไม่มีอาสวะพระโคดมผู้สองโลกให้ช่อช่วงจักตั้งเขาไว้ในเอตัทะคะเขาจักต่อปัญหาที่ถูกถามอย่างย่อได้โดยพิดารและเมื่อต่อปัญหานั้นจักทำอธิษศัยให้เต็มได้ข้าพเจ้าเป็นพรามผู้อภิชาตบุตรในตระกูลที่มั่งคั่งจบมน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 มหากัจจายณะเทราประธานที่สามจบ4กาลุทายีเทราประธานประวัติในติชาติของพระกาลุทายีเถระพระกาลุทายีเท ร, ระร เ, ทรเมื่อจะประกาศประวัติเนติชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่เสด็จดำเนินทางไกลเที่ยวจารึกไปในครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้ถือดอกปทุมดอกอุบลและดอกมะลิซ้อนที่บานสะพรั่งและถือเข้าสุกชั้นดีมาถวายพระศาสดาพระมหาวีระสวยเข้าสุกชันดีโภชนะอย่างดีอันหนึ่งกลาลุทายีรับดอกไม้นั้นแล้วมอบถวายแก่พระชินเจ้าผู้ที่ได้ถวายดอกปทุมชั้นดีเยี่ยมที่น่าปรารถนาน่าใครนี้แกเราชื่อว่าทำสิ่งที่ทำได้ยาก เราจะาพยากรผู้ที่ได้ใช้ดอกไม้บูชาและได้ถวายเข้าสุขชั้นดีแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นั้นจะครองเทวสมบัติ18ปชาติดอกอุบลดอกปทุมและดอกมะลิซ้อนจะมีในเบื้องบนผู้นั้นด้วยผลบุญของเขาผู้คนจะสร้างหลังคาประกอบด้วยของหอมที่เป็นทิพย์กั้นไว้ในอากาศในเวลานั้น เขาจะเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิ25ชาติจกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดิน500ชาติเนื่อกลับที่1แสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโค์สรงสมภพในรจจาชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกเขายินดียิ่งในงกรรมของตนถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจะเกิดเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระญาติ ที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่พวกเจ้าสักยะและภายหลังเขาถูกปุศลมูลตักเตือนแล้วบวชกาหนดรู้อาสวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานพระโคโดมผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกจากทรงตั้งเขาผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิาทาทากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีอาสวะไว้ในเอตถคะเขามีกิจเด็ดเดี่ยวเพื่อบาเพ็ญเพียร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 ย่อมเข้าไปปรากฏภายในพระยานของพระองค์พระองค์ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกที่อากููด้วยความมืดนี้ได้สัตว์เหล่านั้นได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมคลามกระแสความสงสัยได้สัตว์โลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้แล้วถูกความมืดปกคลุมแล้วเมื่อพระยานของพระองค์โชช่วงอยู่ความมืดก็ถูกขจัดแล้วพระองค์เป็นผู้มีพระจักสุ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 ผู้นั้นจะไม่ไปเกิดยังทุกขติเลยและผู้นั้นจะครองเทวสสมบัติ64ชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศสราชครองแผ่นดิน108ชาติจกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ105ชาติจกครองประเทศราชในแผ่นดินนับชาติไม่ถ้วนเขาจากเป็นผู้คงแเกะเรียนทรงมนจบไตรเพศจกบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโคดม เขาจากพิจารณาเนื้อความที่ลึกซึ้งละเอียดได้ด้วยยานจากมีนามว่าโมคราชเป็นสาวกของพระาศาสดาเขาจากสมบูรณ์ด้วยวิชาสามทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมทรงเปรียบด้วยนายเกวียนผู้เลิศจกทรงตั้งเขาไว้ในเอตักสะเขาพระเจ้าละโยคะที่เป็นของมนุษย์ได้แล้วตักกิเลสเครื่องผูกพันเคอพบได้แล้ว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 โมโคราชเถราประธานที่ห้าจบ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 ผู้ซื่อตรงผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วเขาพเจ้าจึงใช้ต้นอ้อยทํามนตดลบิิมนต์สงผู้สูงสุดให้ฉันแล้วเขาพเจ้าเกิดในกําเนิดใดๆเพื่อจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็าตามในกําเนิดนั้นๆเขาพรเจ้าย่อมปกครองสัตว์ทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนี่อกลับที่ร้อยสิบปดนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลย